ความไม่ฝึกความไม่ฝึกไม่ทำอยู่เรี่ยนเไม่สำนานตั้งใจนำดับต่อไปตั้งใจปฏิบัติทำกาย <c oughs> ทำกายให้เป็น กายวิเวกกายไม่มีการงานอย่างอื่นต้องใช้กายให้เป็นกายวิเวกกายไม่มีงานเคลื่อนไหวไปมาวาจาให้วิเวกว่าจากลงับปากไม่พูดคมเขาไปอีกถึงจิตให้เป็นจิตวิเวก ไม่ต้องให้มันนึกคิดปรุงไปอย่างอื่นมากมายรูย้ตัวอยู่รู้ลมหายใจเข้าหายใจอกอกนี่แหละจุดของสิ่งสำคัญของการฝึกจิตใจใจไม่ได้ฝึกหัด ใจไม่มีองครักษ์ไม่มีคุ้มไม่มีธรรมคุ้มครองใจเหมือนกันกับบ้านไม่มีกำแพงใจไม่มีธรรมคือสติเป็นรั่ว ก, กั้นเป็นเครื่องคุ้มคอง เหมือน ก, นกันกับคนสร้างบ้านแล้วไม่มีรั้วไม่มีรั้วกัน้นไม่มีประตูหน้าประตูหลังปล่อยโล่งไปหมดเหมือนกันกันกนกบใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหุมคลองคือสติความระลึกลู่สัมพชัญญะความรู้ตัวเรียกว่าฝึกสติ จนเป็นสัมปชัญญะความระลึกรูดกำหนดเข้าไปเอาลมหายใจเป็นศูนย์ลมหายใจเป็นศูนย์เอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนึกเครื่องนึกของจิตเครื่อง และลึกลูกของสติเรียกว่าพุโทโธพุโทโธอันนี้เป็นหลกักทิ้งไม่ได้ไม่มีว่าจะเอาอันไหนแบบไหนหลักเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝึกหัดปฏิบัติได้เป็นหลกัก ของการอบรมบ่มจิตหรือว่าฝึกฝนจิตเนี่ยมีปัญญาพึงรักษาจิตหรือฟึงพึงพึงฝึกจิตฝึกจิตฝึกธรรมก็อยู่ด้วยกันมีเท่านั้น เพราะฉะนั้นทาให้เป็นกายวิเวกวาจาวิเวกแล้วก็จิตวิเวกรูห้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาแค่นี้แหละกำหนดรู้ออมหาเหตุมหาเหตุมหาฐาน อานของบุญของบาปฐานของความลูกความหลงมีใจเท่านั้นล่ะมีธรรมชาติใจของไม่มีใจไม่มีปัญหาต้นไม้ภูเขาเรากาให้มีจิตไม่มีวิญญาณให้มีเครื่องรับรูปปงแต่ง ไม่รู้โศกลู่ทุกอะไรหรอใจใจนี่แหละสิ่งที่มีใจใจนี่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติธรรมะมันมันเป็นธรรมชาติรู้เป็นใหญ่ในการรู้เพราะนั่นมันจึงสามารถสร้างเครื่องรับรู้อะไรเสริมเข้าไปจาก ฐานของมันได้คือสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรอบรู้รู้ตัวสัญญาความจำได้ไม่รู้ฝึกให้มีความจำให้ได้ยืดจาวต่อเนื่องจนกายเข้าไปเป็นรู้ความจำกับเป็นรู้ความนึกคิดกับเป็นรู้ ความระลึกรู้เป็นรู้ยงว่าสติสัมปชัญญะปัญญารอบรูกในกองสังขารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลละมหาสมบัติหรือมหาทุกอยู่จุดเดียวกันอยู่ที่ใจเนี่ยเพราะท่านเพื่อนท่านจึงว่าผู้มีปัญญาพึง รักษาใจยึงฝึกใจยึงควบคุมความรู้ใจไม่มีทางอื่นมัคคปฏิปทา าปฏิทาคือทางดำเนินหรือเครื่องดำเนินพระโพธิสัตว์คือผู้ที่สร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพุทธะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นผู้ นำของหมูสัตว์ที่ตกอยู่ในความลุ่มหลงแล้วก็หมุนอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทุกข์เพราะความหลงนี่แหละมีเชื่อแห่งความหลงจึงมีเสื้อแห่งทุกข์ความหลงความเห็นผิดหลงผิดความเห็นไม่ตรง ความเห็นก็เกิดจากใจนี่แหละที่ว่าทิฏฐิทิฏฐิสกายทิฏฐิทีกิจฉาศิรพัตนารามาที่ท่านว่าเครื่องร้อยรัดสังโยชน์สังโยชน์คืออารมณ์เครื่องร้อยรัด อารมณ์หลงในกายหลงว่ากายนี่มันดีวิเศษเป็นของดีหลงว่ากายนี่มันจิรังยั่งยืนหลงว่ากายนี่เป็นเราเป็นของของเรานี่แหละสายโยงแห่งอารมณ์ที่ให้โยงกันไปเรื่อยเรื่อย ว่าเกิดทิฏฐิคือความเห็นเห็นตนมีในกายเห็นกายว่าเป็นตนเห็นตนว่าเป็นกายเห็นกายเป็นเราเห็นจิตเป็นเรารวมเร็วๆเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวตน ไม่เห็นขันห้าว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายไปเนี่ยความไม่รู้ตัวนี้แหละมันหลงมาจนนับประมาณไม่ได้เพราะสันปฏิปทาที่จะให้ข้ามความ ทุกเกิดแจบตายน่อันเป็นสภาวะที่เกี่ยวเนื่องมาจากความหลงจากความไม่รู้จริงเห็นจริงทรออาอวิชชาหรือโมหะโมหะความมืดอวิชชาความไม่รู้จริงอาการที่ไม่รู้จริง รู้อยู่แต่มันรู้มันไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงอันเห็นผิด ก, กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นผิดก็ถือผิดอ <c oughs> ่ความทุกข์ทั้งหลายสัตว์โลก พอพที่สัตว์ท่านเห็นความทุกข์ของสัตว์ตวโรเพียงได้น้อมจิตไปในการที่จะช่วยเหลือเนี่ยเพียงได้สร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นผู้นำเพื่อเป็นสะพานให้ สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ข้ามโอคะคือห่วงแห่งความทุกข์นี่แหละห่วงแห่งความหลงโอคะแห่งความมืดโอคะสงสารเปรียบเหมือนกับว่าเป็นห่วงน้ำทะเลมหาสมุทรเป็นห่วงน้ำที่จิต บรรดาจิตวิญญาณทั้งหลายที่มีทิฏฐิแห่งการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะข้ามห่วงแห่งความมืดความหลง น, นี่ไปได้ยากนี่จะว่าโอคะข้ามความเห็นผิดนี่ไปได้ยากนี่คิโทคะอวิชโธคะ ตามโอคะภาวะโอคะทิโทขะอวิชโคโอคะทั้งสี่กิริยาหรืออารมณ์เหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่ข้ามได้ยากเมื่อมันเกิดมันสัมผัสขึ้นมาเหมือนกันกับการสัมผัสกับการ ซ่องเสพการดื่มกินเหอนอย่างบุคคลกินสัมผัสกับของบริโภคมันติดสูบบุรีอย่างสัมผัสกับบุรีทีแรกมันก็ยังไม่รู้เรื่องเ อ, เอาบุรีมาสูบทีแรกก็ว่าสู มันไม่ติดรอกสูเพื่อให้รู้รสชาติของมันเฉยๆเนี่ ย, ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่พอสูไปสูมางก็ติดติดอะไรเน่ยติดรสแหงผัสสะเนี่ยกา ม, มาโอคะข้ามได้ยากเมื่อมันเกิดเป็นโอคะขึ้นมาแล้วมื่มันเกิดเป็น เหมือนกันกับบุคคลขุดลำคลองลำห้วยนั่นแหละขุดแล้วเมื่อมันเป็นลำห้วยเป็นลำคลองเป็นบึงแล้วมีน้ำเลยข้ามไม่ได้เลยเหมือนกันกับการติดอยู่ในตามมะโอคนะนี้มีความ ให้ความยินดีความซาบซึ้งอยู่กับภัษะนั่นแหน่ะบัดน mm hmm. ่อย่างคนติดบุหรี่อย่างมันก็มีรสชาติอันหนึ่งมันถึงค่อยมันถึงติด mm hmm. เมื่อติดแล้วก็ละได้ยาก mm hmm. ละได้ยากมากแรกมันไม่ติดไม่มี หรือคนติดสุรายาเมาอย่างนี้หรือติดในการเล่นการพนันขันต่อทั้งหลายเราเนี่ยคือเมื่อทำมาแล้วมันข้ามได้ยากเรียกว่าติดเพราะอะไรล่ะเพราะความเข้าไปหลง เขาไปหลงว่ามันมีรถมีชาติคนติดการเล่นการพนันเนี่ยเหมือนกันก็ติดด้วยความหวังว่าเมื่อลงพนันกันแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูฝ่ายชนะก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนสมัยเป็นเด็ก ไว้เป็นเด็กเป็นเล็กเขาก็พนันเขกหัวเข่ากัน น, นี่เล่นการพนันเล่นทายนู่นทายนี่เรียกว่าเป็นการพนันทั้งนั้นแหละทายถูกก็ได้ เ, เขกหัวเข่าเขาต่อมาเขาก็มาพนันกันด้วยกัน เอาทรัพสมบัติเงินทองทรัพย์สินต่างๆที่มันก็ไปติดในความอยากได้อยากมีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดอยู่กับการเล่นการอยากเล่นแต่มันไปติดอยู่กับการอยากได้อยากมีอย่ากให้มันเกิดขึ้น มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันมีความหลงเข้าไปยึดเหลือมันแก้ได้ยากแต่มันก็แก้ได้ไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้แต่มันยากต้องอาศัยความเพียรพยายามหาอุบายทุกวิถีทางหละทำอย่างไงมันจะถอนออกอยากความเข้าไปหลงในภัฒนสะ น, นั่นได้ กามโอ้าสิ่งที่มันหลงอย่างยิ่งเข้าไปก็เรียกว่าหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหลงในภาษะหลงในสุขในทุกนันเลย อ, อันไหนเห็นว่ามันสุขมันเป็นความสุขมันก็ไปติดอยู่กับสิ่งนั้น บางทีก็เห็นว่ามันทุกอยู่แต่มันก็ยังไปติดติดอยู่ในภัฒสะนั่นนะติดอยู่ในภัฒสะที่ให้เกิดทุกข์ก็เหมือนกันกับเาเล่นการพนันนี่แหละที่หวซื้อเบอร์กระามเหยาวใไฮโลสับไพ่ลงบอนลงมวยก็เหมือนกัน เมืมันไปติดแล้วเนี่ยมันหยุดได้ยากนี่ท่านเรียกว่าติดอยู่ในกามมรรคกามโอคะทิโตคาความเห็นเนี่ยข้ามได้ยากแต่วิโชคาความรู้ไม่จริงเนี่ยข้ามได้ยากจะข้ามได้ก็ต้อง มาสร้างความรูนี่ห้มันละเอียดมันรูจริงเห็นจริงมันจึงจะข้ามอาวิชโชคะได้ข้ามทิศโธคะก็ต้องมารวมมาสร้างต้องมาเดินตามมัคคะปฏิปทาอันเดียว หือต้องมฝึกกิฝึกสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะฝึกความระลึกชอบนี่แหละเป็นเรื่องต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้โอปนญญิโก น้องความรู้ความเห็นความนึกคิดปรุงแต่งที่มันส่งออกไปคิดออกไปข้างนอกอันนั่นอย่างนั่นอันนี้อย่างนี้ให้รวมเข้ามารู้ในกายในจิตเนี่ยจึยงว่าโอปัญิโกเอหิปสิโกอฝึกจิตเนี่ยยังรวมมาในการฝึกจิต จิตฝึกสติเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีไม่มีแบบอื่นไม่มีอย่างอื่นการฝึกจิตฝึกให้ทานในเบื้องต้นทานนับบารมีฝึกเสียสละมันหวงมันแหนมันเป็นธรรมชาติความหวงแหน ไม่ได้ทำอะไรก็หวงอย่างนั้นแหละพอมีว่า น, นี่เป็นของเราอันนี้เราได้มาล้วก็หวงเกิดความหวงกับสิ่งที่มีกับสิ่งที่ว่าเป็นของตัวเองนั่นแหละจะสละจะแจกจะแบง่งออกไ ป, ปยากเ <c oughs> พราะฉะนั้น คำมคสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยกทานขึ้นในเบื้องต้นทานกาถาศีลกถาสวรรคคาถากามทินนบเนคมะนี่สามอย่างพระเจ้าทรงแสดง ธรรมะไปตามลำดับเรียกว่าอนุปุทีคกถาห้าทรงแสดงทรงแยกแยะเป็นการบ่มอารมณ์บ่มสติปัญญาของผู้ได้ยินได้ฟังนี่แหละเอจะฆาสละทานะให้ มีละสังวรมีสติเข้ามารู้กายว่าใจใจสติสัมปชัญญะสติรวมเข้าสู่สติใจรวมเข้าสู่ใจเนี่ยไม่ไปที่ไหนที่อื่นหรอกเพี <c oughs> ยงว่าลมหายใจนั่นะ สิ่งที่มีอยู่เอาเป็นเป้าหมายเป็นการแห่งแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกสิ่งสำคัญก็ศรัทธาศรัทธาเชื่อมัน่น มีความเชื่อมีความตั้งมั่นายการที่จะจ ะ, จะทำปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาก่อนพระอริยะเจ้าอริยสงสาวกผู้ประพฤติ ด, ปดีปฏิบัติชอบก็ชอบด้วยนี่แหละการ รักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่จึงเรียกว่าเป็นสมาธิธเป็นความชอบ จับหลักเดิมอย่าอย่าฝึกจิตให้เป็นจิตสายแสให้เป็นจิตเคร่งควา้างเพราะอาจารยท่านจึงว่าให้ตั้งมัน่น ความรู้น้อมนึกรู้ผูกศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็น่ากกาหนดรู้พระพุทธเจ้าพุทธะพุทโธผู้ ร, รู้จริงเห็นจริงในธรรมะก็คือดรงใจพระริทัยของพระพุทธเจ้าเราก็มี ดวงจิตดวงใจเหมือนกันจึงนอนอมเอคุณพทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราจึงว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระธรรมไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปเป็นลักษณะเป็นคำพีเหมือนที่ว่าพระธรรมคือคำพีคำสอน อันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนจิตสอนใจสอนใจของผู้มีจิตใจสูงก็คือใจมนุษย์คนเรานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สร้างบา ร, รมีคือมีความเสียสละฝึกฝน ดวงจิตดวงใจดวงพระหริยไทยของพระ อ, องค์มาตั้งแต่ที่ ท, ทรงมีพระอรทัไทยตั้งปารนาว่าจะสร้างบารมีเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์หรือเพื่อสอนผู้อื่นให้รู้ความจริงแห่งธรรมะตามเป็นจริงนู่น ยงว่าพระธรรมคำสอนเนี่เป็นคําสอนที่บริสุทธิ์พุทธเจ้าสอนศาสนาสอนข้อปฏิบัติไม่ได้เลียกค่าตอบแทนกับใครทั้งนั้นหละให้สอนด้วยความสระนี่จึงประกอบสอนด้วยทานสอนด้วยศีลสอนด้วยภาวนามรรคแปด ร่วมอยู่ในอันเดียวกัน <c oughs> เวลาพระองค์ตั้งพระอริอทยที่จะค้นคว้าสร้างบารมีเพื่อให้บารมีทั้งสิบอย่างเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลจาก บุคคลใดใครคนหนึ่งเป็นเจตนาที่ตั้งขึ้นมาเป็นความสละความสุขความสบายความลื่นเลื้งตามกิเลสโมหะวิชาเีว่าแย่งแย่งเอาความสุขของกิเลสของโมหะวิชา สละออกไปความสุขเหล่านั้นยอมทุกยอมทุกในการค้นคว้ายอมทุกในการสร้างบา ร, รมีทุกภบทุกชาติในการสร้างบา ร, รมีของพระพุทธเจ้ามานับตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละที่ตั้งจิตอธิษฐาน ทำการทำงานเพื่ออธิษฐานถึงแม้ชีวิตนี่จะสิ้นสุดไปหรือผู้ใดจะมาทำลายชีวิตเอาเนื้อเอาหนังไปกินเป็นอาหารก็สละในการทำงานเพื่อให้สำเร็จอันจึงว่าจาระนั่นแหละเป็นเบื่องต้นศรัท ธ, ธา มองเห็นประโยชน์ในการกระทำและจึงสละประโยชน์ส่วนน้อยหรือความสุขส่วนน้อยเพื่อแลกเอาความสุขมหาศาลนี่จึงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณอันประเสริฐ ละความสุขส่วนตนทุกภพทุกชาติในขณะที่สร้างบารมีจนสุดท้ายที่จะสมบูรณ์พูนผลเนี่ยก็เรียกว่าสละรสนั้นพุทธพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จึงเป็นคุณอันเปรฐเพระเาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ด้วยความเสียสละโดยไม่ได้คำหนึ่งคิดถึงค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจึง่าสอนให้ ฝืกการให้ทานรักษาศีลคือการคุ้มครองตัวเองนั่นแหละคำว่ารักษาศีลก็คือคุ้มครองกายของตัวเองวาจาของตัวเองแล้วก็จิตใจนั่นแหละจริงว่าละบาปทาบุญวควคุมสำรจิตใจ ให้พองสใสยพองแผเ่เบิกบานมันจะรวมลงมาสามอันแห้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามันจะรวมลงมาในคำสอนที่ย่อเข้ามาสอนสามอย่างธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสาพาพาาัพพาปัสสะอกรณังกุสรสู่รสัสมปันดา สายจิตตะปริยนดาปานังเอตังมุทธานีาสนังสอนให้ฝึกกายฝึกวาจาฝึ ก, กจิตใจเท่านั้นแหละให้ฝึกละละอารมณ์ที่นำไปสายแสให้เกิดความวุ่นวายสายแสแปลว่าให้ละบาป แล้วให้สร้างบุญสลความฉลาดที่จะให้เกิดบุญคือความสุขสุกกายสุขใจกายไม่มีโทษใจไม่มีโทษแล้วก็ให้อฏิบัติขัดสีเรียกว่า ขัดสีจิตใจด้วยสันทะความพอใจวิิยะเพียนจิตตาเอาใจใส่วิมังสาเอาเป็นการเป็นงานรอบรู้ฝึกจนมันเป็นฝึกจนให้เป็นฝึกจนให้สำนาน เมื่อมันเป็นเมื่อมันชำนาญก็เรียกว่าทานระดับการฝึกก็เหลือแต่ใช้ประโยชน์นี่เมื่อฝึกเป็นแล้วก็ทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฝึกให้ทานเหมือนกันฝึกลักษาศีลแล้วก็ฝึกภาวนาเรียกว่าฝึกละบาปฝึกทา ความบริสุทธิ์และก็ฝึกปฏิบัติขัดสีความขี้เกียดขี้ท้านคว า, ววววความรุ่มหลงมัวเมาโหอห่มโยกับใจคือความรู้ขัดด้วยตบะธรรมคือความเพียนแผดเผา ว่าขาดด้วยสติขัดด้วยปัญญานั่ว่าปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขัดที่สามารถที่จะกัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สกปรกให้หลุดลุยออกไป ด้วยปัญญาญาณทัศนปัญญาญาณทัศนจะมีกำลังเกิดขึ้นก็อาศัยมาจากความเพียรความตั้งใจจาศรัทธาความเชื่อมั่นในการประพฤตริรมปฏิบรรัตรรรริทำว่าทำแบบนี้ทำอย่างนี้ให้ผลอย่างจริงแท้ไม่มีเป็นอื่น เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนรูปผลสัมผัสผลจนเข้าถึงโพธิญาณถึงปัญญาณบริสุทธิ์ยังได้เกิดพระเมตตาบ ร, ริสุทธิ์ยังเกิดมีพระอริายานบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสมนทิน นี่พระองค์ทามาแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อข้อปฏิบัติกาทำอย่างนี้อย่างนี้แหละเอาสติเข้าไปครอบคุมความรู้ครอบคุมความนึกคิดเนี่ยให้ละลรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุทโธอย่างนี้ พร้อมลงไปแล้วพร้อมที่ปฏิบัติไม่มีการไม่มีเวลาเรียกว่าไม่เป็นอาการที่โกไม่ประกอบเรื่องการเวลาลมหายใจมีอยู่ทุกขณะทียังไม่ตายถ้าลมหายใจหยุดก็เรียกว่าตายเรียกว่าหมดบุญเพราะฉะนั้นขณะที่บุญยังมีอยู่ความระลึกรู้ คือสติความรู้คือใจอดวงธรรมดวงใจก็กมกลืนกันอยู่ก็ผูกพันจดจอมุ่งมั่นเข้าไปให้เป็นอาการิโกให้ประกอบด้วยการูรู้รู้รู้รู้ร เอาจริงๆเขี่ยวเข็นจริงๆถ้าหาว่าไม่เขี่ยวเข็นจริงๆก็ทำไปเรียกว่าทําไปพอสาบานน้าไม่ตายถ้าถามว่าทําไหมทำไอ้สาบานน้าก็ไม่ตายเพราะทำอยู่ภาวานาอยู่ตั้งสติ อยู่แต่ตั้งลงไปชั่ว ย, ยังไม่ถึงช้างพับหูงูแลกลิ้นก็เอาสตินี่ไปใส่เรื่องอื่นซะไปใส่ตามเรื่องของกิเลสคือความอยากความหลงมัวเมาในอารมณ์อื่นเนี่ยอันนี้เรียกว่าทำไม่จริง ทำอยู่ทำพอสาบาลนนะ้ำไม่ตายเพราะฉะนั้นต้องเอาทาจริงๆให้เป็นสัมมาสติหือระลึกชอบต่อเนื่องนไม่ต้องไปคิดไปปรุงไม่ต้องไปวิตกวิจาร์ว่าจะไปพอนั่งพอทําภาวนาเข้าไปก็จะไปเอา มักเอาผลเอาสวรรค์เอานิพานเอาสวรรค์ชั้นนั่นชั้นนี่เอานิพานเลยที่ไม่มีทุกข์ให้ดูว่านิพานอยู่ไหนนิพานเมืองแก้วคือพระ น, นิพานอยู่บนฟ้าบนที่ไหนเหนือพร ม, มโลกก็คิดไปว่าอยู่สูงขึ้นไปนู่นอะเหนือสั้นเทวดาสั้นพรม ข, ขึ้นไปก็เป็นชั้นนิพาน ความดับทุกข์อันนั้นส่งออกเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเชื่อความเลื่อมใสเชื่อพระพุทธเจ้าก็จ่อความเพียรคือสติปัญญาสมาธิตัง้งมั่นอยู่กับลมหายใจนี่ทุกข์อิริยาบถ แล้วก็ฝึกทําให้มากให้อยู่ในอิจฉาเดียวให้มากๆาก็เพื่อให้สำนิชสำนานนั่นแหละเพื่อให้ํนานิชสนาญในการทำงานด้วยการนั่งเพราะการนั่งไม่ขยับขยื่นน่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะปกติสังขาร ทั้งที่เป็นจิตตสังขารรูปสังขารมันเกี่ยวเนื่องกันมันจะขยับเขยื่อนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ขยับเขยื่อนมันก็เกิดปฏิกิริยาท่านเรียกว่าเกิดเวทนาเกิดการเสวยในทางที่ไม่สะดวกสบายท่านจึงว่าในทางที่ท น, นยากท่านจึงว่าทุกขวเวทนาน นั่งไปบ้างก็ต้องเปลี่ยนต้องยืนต้องเดินนั่งนอนอิยาบทสี่สลับให้มันสม่ำเสมอกันแต่เวลาเราจะแข่งขันหรือตรวจสอบให้จริงให้จังก็ต้องฝึกในการนั่งนาน ยืนนานๆเดิน น, นานๆเดินอยู่ไม่หยุดถ้าเดินนั่งกน็นั่งไม่ขยขยับเคย่อนส่วนรูปกระทำร่างกายแล้วก็นามธรรมาคือสติกับความรู้ความกับใจนั่นแหละ อันนั้นแหละยิ่งกระซับเข้าไปจนให้แนบนั่นรู้ว่าไม่พริกไม่ภาพยา ก, กันนั่นแหละเรียกว่าสติมีพลังหรือได้สมาธิเป็นฐานเป็นฐานรองรับแล้วกระยับเข้าไป เมื่อได้ฐานลองรับแล้วยิ่งเพิ่มความเพียรความพยายามจากที่เคยตาเคยนั่งส0นาทียี่สบนาทีก็เพิ่มเข้าไปเป็นชั่วโมงเพิ่มไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพิ่มไปเอาจนสี่ชั่วโมงเป็นธรรมดาธรรมดา จะได้เป็นพื้นฐานที่นี่เพื่อความยิ่งกว่านั่นไปเรียกว่าไม่มีกำหนดาจนกว่ามันสำนานแน่แ น, แน่ ก, กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนก็เทียนกันอยู่นั่นหละนั่นเรียกว่าเร่งความเพียน ต้องให้ผ่านความทุกข์จากการอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆจนมันกลายเป็นความสุขมันกลายเป็นสุ ข, ขเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาในการยืนเดินนั่งนอนนอนก็สักเพียงแต่เป็นกิริยาของกายนั่งหรือสักเพียงแต่เป็นกิริยาของกาย ยืนนอนถ้าเพียงแต่เป็นปียาของกายเพราะสติจิตใจนี่มันนอนไม่เป็นมันไม่มีมันไม่มีอิริยาบถมันเป็นมันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งมันเป็นอาการิโกเรียกว่าไม่ประกอบพฤติการนั่นเวลานี้อย่างของ ใจเรื่องของสติกำหนดกันเข้าไปเวลาไหนจอ่อกันเข้าไปเวลาไหนมันก็กลมกืนกันแน่นแฟ่นเข้าไปจะแสดงผลของคำว่าสมาธิสัมผัสกับผู้ประพฤติปฏิบัติเองนั่นแหละถึงว่าปัจจตังเวทิตโพวิญยูหิ ผู้ลงมือกะระทาผู้ลงมือภาวนาผู้ลงมือตั้งสติกำหนดกันไม่ทอทอนะจะสัมผัสกับความเอบอบีมความว่าปิติธรรมความเอบอบีมหรือเอกคตาธรรมนี่ธรรมคือมีความรู้อันเดียวยจะมีความสุขความเบาความ นั่นเดียันเป็นผลมันเป็นรสเป็นชาติรสชาติของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาตินี่จึงไม่ต้องไปสนอกสนใจสนใจอยู่กับงาน ส, สนใจอยู่กับการปรุงที่จะให้เกิดรสชาติ แม่ครัวทำอาหารเขาต้องเอาอันนุ่นเท่านั้นอันนี่เท่านี่ผสมกันจะลาดจะตาจะยำจะต้มจะแกงอะไรก่อไปตามวิธีนั้นนส่วนรสชาติเมื่อมันกลมกืนกันมันก็มีรสเผ็ดรสเค็มรสเปรี้ยวเวดรสหวานตามอาการมันนั่น เนี่ยมันรดอาหารภายนอกมันไม่ได้ทราบซึ้งตรึงใจเหมือนรถของพระธรรมรถของธรรมชนะรถทั้งปวงรสชาติของสติที่ฝึกให้มันเป็นอัตโนมัติเหมือนละลึกลู่ละลึกลู่ละลึกลูกมันได้ที่ของมันมันแน่นแฟ้นดูดดืงมเน่าเน่เน่น่ มันไม่มีสัญญาอารมณ์มันไม่มีความไปเกี่ยวข้องกับรสชาติอารมณ์ภายนอกอย่างนั่นอย่างนี้มันเห็นความแน่วแน่เห็นความสุขความสดชื่นความเบาความสบายอะไรับสัมผัสด้วยตนเองนั่นแหละรสชาติของ ร, รมในขั้น สติต่อเนื่องกันนี่ก็มีรสมีชาติเป็นมันแ น, วน่วแน่ลงไปเป็นความตั้งมั่นจะเป็นคณะหนึ่งสองคณ ะ, ะที่ท่านว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธนะิมันเป็นรสชาติที่ละเอียดต่างกันเข้าไปาก็รู้ด้วยตนเอง น, นะนั่นรสชาติของ สติรสชาติของสมาธิรสชาติของปัญญาสมาธิที่นี่ความเห็นชอบถ้ามันประมวลกันเข้ามาเห็นแต่และขแนแงขแนแดงเห็นความแฉะตามเป็นจริงเห็นความเกิดขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ตามเป็นจริงเห็นความเจ็บความแต่ดับสลาย เห็นโทษของความอยากนี่เหมือนเป็นทุกข์เห็นละเอียดเข้าไปทุกข์ไม่ได้มาจากไหนไมาจากความอยากอย่างเดียวมันหลงอุปท า, านเข้าไปยึดก็เกิดความอยากว่าตัณหาพัตสะเมื่อมีการสัมผัสก็เกิดตัณหาคือความอยาก นั่นะเมือ่อเคยความอยากทุกทุกเกิดอยู่ตรงนั้นแ่ะถ้าไม่มีความอยากไม่มีทุกท่านจึงว่าให้ละตัณหานะให้ละตัณหาให้ทิ้งตัณหาจะไปละไปทิ้งแบบไม่มีเหตุมีผลมันละไม่ได้ะอั น, นี้แต่มันจะดูดดืงเข้าไป น, ะนี่แต่มันจะอยากเข้าไปเรื่อยอยากเข้าไปเรื่อยกำหนัดเข้าไปเรื่อย จอเข้าไปเรื่อย ع, ดูดแน่นแฟนเข้าไปเรื่อยนั่นแหละ้าไม่มีอุบายไม่มีปฏิปทาเพราะฉะนั้นปฏิปทาก็อยู่ที่ปลูกศรัทธาเชื่อมั่นตั้งสติกำหนดใจนั่นแหละในก้าวแรกต้องมาจากเชื่อแล้วก็ตั้งสติและลึกไว้ชอบ องดูจุดนี่ทำความเพียรให้กล้าทำความเพียรต่อเนื่องมันรวมเข้าไปเป็นสติสมาธิเป็นปัญญามันกลมกืนกันอผลผลแห่งทุกข์ในเมื่อสติมันขาดว่าขาดตอนมันจะแสดงความทุกข์ขึ้นมา เพรความไม่จริงจังพความไม่เห็นโทษของความเผลอเลยเห็นโทษของความไม่เอาจริงเอาจังเห็นโทษของความเผลอเลยจะแน่วพับไปเลยนะยีระครังเป่งบชกกันเลยเหมือน เวทีมวยเขาให้สัญญาณมีวิชาอะไรบ้างที่ฝึกซ้อมมาเนี่ยออกมาใช้กันนี่ในการที่จะให้ความเผลอเผลอเลยนั่นหมดอำนาจไปเหลือแต่ความไม่เผลอเหลือแต่ความตั้งใจมั่นเหลือแต่ความรอบรู้นี่ ด้วยการเอาจริงเอาจังทำให้จริงจังทำจริงยิงจะรู้จริงเห็นจริงเนี่ยในส่วนสร้างฐานของธรรมะสร้างฐานที่จะให้เกิด ค, ความสุข สร้างฐานให้เกิดความสุขเพื่อลบร่างฐานให้เกิดทุกข์เพื่ อ, อวิชาโมหะเพื่อการสร้างสติสมาธิและปัญญาให้ชำนิชำนานอยา่าข้อปฏิบัติมีเท่านี้เพราะฉะนั้นอย่าไปลังเลสงสยัย ว่าทางไหนที่จะทําให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงถ้าเป็นลังเลสงสัยก็เดี๋ยวยังหลงอยู่ยังไม่เชื่อพระพุทธเจา้ายังไม่เชื่อพระธรรมยังไม่เชื่อพระสงฆ์ตนของตนมีที่พึ่งอยู่ยังไม่เชื่อที่พึ่งของตนเองน่ะ มันแนว่วแน่นแฟนสติจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่แหละ <c oughs> ร, รมไม่จริงนั่นมันมันก็เป็นอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นฐาน แน่นหนามั่นคงเราเมื่อทำจริงเราตายว่ากันตายเป็นตายเาไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ความหนักแน่นความแน่นแฟนแไม่หยุดไม่ทอดทุระเรื่องความ รูปความเห็นจากการเจริญภาวนาจากการบริกรรมภาวนาหรือเดินภาวนานอนภาวนานั่งภาวนายืนภาวนาเนะี่ยในเรื่องของสติอันเดียวสติคุมจิต หรือว่าสติเป็นเพื่อนสองของใจอันเดียวเพราะสมาธิหนึ่งเป็นผลเหตุคือสติความระลึกลู้กับความลู้คือใจเนี่ยนั่นจึงว่าสติเป็นเพื่อนสองของใจหรือสติเป็นคู่คลองเป็นผู้คุ้มคองใจคือความรู้ลูล่นี่แหละ เมื่อมันคุ้มคลองกันได้มันจึงเกิดผลที่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นคือความรู้ที่มั่นเป็นอิสระไม่เป็นทาตของความรู้ที่จอนมาไม่เป็นทาตของอารมณ์อิทธาลมอนิธาลมที่ฉันว่า อารมณ์ที่จรมาจรไปจรมาสัมผัสกใจอันเดียวละอันอื่นมันไม่รู้ดอกใจความรู้ๆูนี่แหละหรือวิญญาณใจวิญญาณใจก็เกิดเจ้าใจนั่นนะเป็นสัญญาณถ่ายทอดกัน ไม่ได้มาจากที่อื่นที่ไหนหละการลบควนใจลบควนความรู้หรือว่าลบควนวนธรรมะมันก็ไม่ได้มาจากไหนมันก็ควรกันอยู่กับใจนั่นแหละ ตั้งสติกำหนดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์อย่างมันก็เข้อไปเอาอันอื่นมาเป็นอารมณ์่มันกวนกันอยู่ในอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเอาเป็นเอาตายฝึกให้เข้มแข็งฝึกจนมันเป็นซะก่อนถ้ามันเป็นแล้วมันก็ผ่าน คำว่าฝึกก็มีแต่รักษาหรือมีแต่ใช้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ฝึกให้เป็นจากสติปัญญาันนไม่ว่าฝึกฝนทำการงานนันใดภายนอกเหมือนกันอาศัยการทำให้ชำนาญน่ะมันจึงจะใช้งานประจำวันได้ แต่การฝึกภาษาพูดให้ลูกเข้าใจตามภาษาสากลเขาก็ต้องฝึกซะก่อนพอฝึกฝึกมันลูกเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องไปฝึกละมันสัมผัสกันเข้ามามันไปเองของมันนี่คือมันเป็นมันชำนาญน้อมเข้ามาภายใน ฝึกาดปฏิบัติธรรมฝึกสติให้ชำนาญให้เป็นสมาสติฝึกสมาธิให้เป็นสมาสมาธิฝึกปัญญาให้เป็นสมาปัญญามีเท่านี้ในทางธรรมะสีล สมาธิปัญญาศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาขัดเกาความหลงขัดเกาความที่เกียดที่ข้านความม่ง่ายต้องขัดด้วยปัญญาให้เห็นโทษมัน นี่พูดถึงวิถีสร้างธรรมะสร้างโลกนั่นชำนาญกันมาพอแรงแล้วละมันไม่ต้องได้ฝึกกันมันไหลไปเองทางธรรมะนี่มันไม่ชํานาญนั่นึต้องฝึกต้องปฏิบัติต้องให้เป็นวัตถะปฏิบัติเหมือนกันกวาหผ้ะสวดมนต์ไหว้ผ้าสวดมนต์ เป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาเป็นการฝึกให้ศรัทธามันกล้าเหมือนกันนั่นแหละเว่าเป็นวัตตะปฏิบัติรวมเข้ามาเรื่องจิตภาวนายิ่งต้องไม่มีการไม่มีเวลานะให้เข้าใจให้เข้าใจในการ เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระธรรมได้ก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเข้าถึงพระธรรมยังไม่ได้พระธรรมคําสอนยังไม่แจ่มแจ้งในดวงจิตดวงใจของเรามันยังมืดมนอนธการอยู่ด้วยโมหะวิชายังหลงผิดเห็นผิด เห็นว่าเกิดมาแล้วไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้ตายลงผิดถ้ามันเห็นว่าเกิดแล้วแก่เก็บตายเห็นถูกมันรวมเข้าไปในเบื้องต้นที่ว่าเห็นกายสักเพียงแต่ว่าเป็นธาตุเป็นสภาวะที่รวมกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่เดียวว่าสกายาทิฏฐิความเห็นกายตามเป็นจริง นี่เป็นการเข้าทางเป็นการเข้าทางปัญญาทางมรรคทางผลนี่มันไม่มีทิฏฐิหลงในกายว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยฝึกหัดปฏิบัติธรรมะเรียกว่าจเจริญวิปัสนาเจริญปัญญา จเจริญสติธรรมจเจริญทานธรรมฝึกให้รู้จักเสียสละเอาชนะกามหวงแหนให้ได้ันฝึกให้ทานฝึกศีละฝึกสองวรยินรี อินทีปฏิโมกสังวรศีลอินทรีสังวรศีลปัจจัยสนิติศีลเนี่ยฝึกสังวรฝึกรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันเราจะไปหลงตามความอยาก แสวงหาก็แสวงหาตามความหลงก็เป็นทุกข์ได้มาแต่หลงก็เป็นทุกข์เเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ทางพ้นจากทุกข์ไม่ใช่ทางออกจากทุกข์มาสังวรมาฝึกสละนี่ฝึกเอาชนะ ความหวงแหนด้วยการสละออกฝึกเอาชนะความเผลอๆเลยด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในปัจจุบันถึงจะเป็นสมาธิฝึกเอาชนะความรุ่มหลงว่ากายนี่เป็นเราใจนี่เป็นเราด้วยปัญญาวิปัสนาณ อันทึงให้พิจารณาสรุปลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่สุดท้ายเมื่อมีสถาียนกำหนดรูปรมหายใจให้ต่อเนื่องก็จะได้สมาธิได้ชานหรือการเพ่งแน่วแน่ เป็นปฐมฌานหรือเป็นปฐมสมาธิเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะได้อยู่ในขั้นนี่ขั้นตั้งใจบริกรรมภาวนาหรือตั้งใจเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย จะเป็นกิริยาในทางฌานได้ปฐมฌานได้วิตกวิจารณ์ต่อเนื่องด้วยความมีสติเกิดปิติสุขเอกขาตาคำว่าวิตกวิจารณในการทำสมาธิก็แบบคือนึกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกพุทหายใจเข้าโธหายใจออก มันต่อเนื่องต่อเนื่องกันนั่นแหละเป็นฌานเป็นปฐมฌานวิโตกวิจารก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นสติต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอน <c oughs> อวิโตกวิจารเป็นเรื่องของปัญญา <c oughs> เป็นอาการของปัญญา มีวิโตกวิจารณ์มีสมาธิมีการไปรู้สภาวะที่เกิดขึ้นว่ามันอันนี้มันแปลปวนอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอันนี้เกิดแล้วดับอันนี้เกิดแล้วทุกข์อ่าเนี้ยมันเป็นลักษณะของวิจารอ่าเป็นปัญญา พื้นฐานทำความเห็นในขั้นพื้นฐานถ้ามันแรงด้วยพลังมันก็ลวบไปถึงขั้นสุดยอดได้เมื่อมีบรารมีที่ได้สังสมได้ฝึกฝนอบรมพิ่นี่พีนามา วันนั่นบ้างวันนี้บ้างสมองนั่นบ้างสมองนี่บ้างเมื่อมันมารวมปัจจุบันเป็นอันเดียวเข้าแน่าพื้นเปไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรืออันนีจ้จงทุกครั้งอนัตตามวลลงในขณะจิตเดียว ก็จบกันได้เรียกว่าทำงานจบจเดินมักเดินมักจบสิ้นสุดสัมผัสกับผลนี่ภาวนาำนวกำหนดรูปทิ้งไม่ได้สติ สติกับปัญญาฝึกให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาแล้วก็ฝึกปัญญาสมาธิไม่ต้องไปฝึกเพราะมันเป็นผลจากสติ <c oughs> มันเป็นผลจากสติกับใจกับความรู้กลมเกินกันถ้านยังเดียวว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นต้องฝึก สติกับปัญญาเท่านั้นแหละสติปัญญาคมเกือนกันอยู่กับผู้รู้สมาธิมันจะมั่นคงถ้าสติอ่อนปัญญาก็อ่อนสมาธิก็ไม่ตั้งมั่น ความสงกความแน่นหนามั่นคงของธรรมชาติรู้นี่มก็ไม่มั่นคงมันก็โยกเยกไปตามอารมณ์อันน้นอันนี้แล้วแต่อดีตอนาคตหมุนอยู่ของเก่านั่นแหละไม่ได้หลงอะไรดอกหลงความนึกความคิดอยู่ของเกา่าคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์คิดเรื่องอยากได้อยากมี วนไปกลับไปกลับมาอย่างนั้นะเรื่องความยาอยากอยากในตัณหาสามนั่นละตามมาตัณหาภาะวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนี่เมื่อมีความเขียนสติปัญญา ติปัญญากับใจกับความรู้รอบรู้ผลมันเกิดเองไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไม่ต้องไปนึกไปคิดมันจะเกิดความรู้และความเห็นหยาบละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยรอยืจนมันสลัด โดยอำนาจของมรรคหอํำนาจของสติปัญญานั่นะที่เข้มแข็งแล้วลู้เองแล้วเป็นอากุปธรรมโมไม่กลับกํมเรบก็ต้องไปจากพื้นฐานเพราะฉะนั้น เตือนไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีทางอื่นการปฏิบัติเพื่อให้ได้สติสมาธิได้ปัญญาได้สัมปชัญญะให้เกิดญาณทัศนะให้เกิดการ สรุปทิ้งสมมุติทั้งหลายทั้งปวงไปจากการภาวนาจากการฝึกสติสมาธิและปัญญาลกมกลืนกันอยู่กับใจเป็นสำคัญมโนธรรมมโนธาตุคือใจนี่แหละนี่แหละเป็นสนาม เป็นสนามฝึกฝนปัญญาฝึกฝนสติและลึกลูกฝึกฝนสติเข้ามากๆก็สมาธิมันมัน่นคงมั่นคงเขา้าตั้งใจมัน่นแน่นหนามัน่นคงเป็นตัวของตัวเองเป็นเองไม่ต้องไปนึกไปคิด ไปนึกไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสมาธินึกอันเป็นสตินึกอันเป็นปัญญานึกมันมลงถึงความรู้และความเห็นลงถึงธาตุรู้ธาตุเห็นตามเป็นจริงนั่นคลายสงสัย อย่างนี้มันยากยากเบื้องต้นนี่แหละยากเบื้องต้นอันเหมือนกันกับจะเอายาให้เด็กกินรักษาโรคนี่แหละยากต้องอาศัยให้ลูกเหตุลูกผลว่า เมา่ทำแล้วลงมือปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้ยากก็คมยากก็ฝืน้นยากก็อธิษฐานเข้าไปไม่มีอะไรละชีวิตจิตใจเนี่ยรูปนามกายใจที่เกิดมารูปร่างกายทั้งหมดมันก็เป็นสมบัติของโลก มันเป็นสมบัติของความแปรปวนเป็นสมบัติทุกทนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ฝึกฝนกจิตใจให้มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองด้วยสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบไม่มี คุณค่าอะไรเกี่ยวกับกายกับใจมีแต่โทษมีใจจะได้รับโทษล่ำไปรูปร่างกายของเราเนี่ยเราจะประครบประงมมันขนาดไหนไมันได้มาแล้วทำการทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าหลังสู้แดดหน้าสู้ดิน ทำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้นอนอบำลุงบำเลอหาของดีๆมาคบประงมมันหาเครื่องชาไม้สอยหาเครื่องประดับประดาแต่ว่าของมีค่าขนาดไหนขนาดไหนมันก็มีแต่จะให้ทุกข์กับใจเท่านั้นล่ะทุกข์เพราะความคํำค่า เพราะความสำลุดซึุดโสมแล้วสำลุดทางตาตาก็เก็บก็ปวดฝ้ามองไม่เห็นก็ต้องดิ้นรนไปหาหมอ ห, หมอช่วยช่วยขนาดไหนขนาดไหนช่วยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้ ของที่มันลองรับอาหารดิบๆดีๆนั่นแหละเป็นโลกปากที่มันเคี่ยวว่าของอรสอร่อยกินเข้าไปนั่นแหละเดี๋ยวเกิดโรคมุ่นโรคนี่เจ็บปวดขึ้นมาไม่มีความสุขหรอกมีแต่ความดิ้นรนหรอกมีแต่ความทนในยากคือทุกข์ดิ้นหาหม อ, อม หมอก็เป็นเพียงให้การแนะนำรักษาเยียวยาหมอบอกหมอให้ยาอะไรก็ไม่ระงบับเดี๋ยวก็ไปโทษหมออีกไปเพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีหละ่ะเอาทุกข์ไปใส่ให้หมออีกหมอก็ไม่เป็นหมอหรอกรักษาโรคนี่ก็ไม่หายกต่ว่าไปอีกเพราะความหลงไม่รู้สัจธรรม เพราะมัวแต่จะหาความสุขความสบายให้กับของที่มันไม่สบายเนี่ยหนังร่างกายของเราเนี่ยหาเงินหาทองได้มาก่อนแต่สร้างที่ให้มันอยู่อาศัยว่าให้มันสะดวกสบายให้มันนั่งสบายให้มันนอนสบายให้มันกินสบายให้มัน ขับมันถ่ายสบายเงินทองได้มากี่เมือนกี่แสนกี่ล้านอดีขนาดไหนกย็ยังว่าไม่ดีเอาไปมากกับทำไปทำมากกเงินก็หมดอยู่ก็ไม่สำเร็จอีกนั่นเพราะคิดที่จะให้ไอของตายของมันเป็นทุกข์นี่มันมีความสุข หาของมีค่าราคาเทชนินจินดาแก้วแหวนแสนสับมาประดับประดาให้มันสวยงาม <c oughs> ขนานไหนมันก็แก่ไปแก่ไปทุกไปนี่เรียกว่าความหลงเนี่ยมันก็มาจากความหลงนั่นแหละความหลงที่มันครอบงำ จิตใจสุดท้ายไม่มีหรอจะหาอะไรสวยๆงามๆ ม, มาประดับของที่มันไม่งามเลงนั้นก็งามขึ้นไปไม่ได้ประครบประงมของมันเป็นทุกข์อยาให้มันมีความสุขมันก็สุขไม่ได้สุดท้ายก็ด้วยความหลงนัง่นก็มา ปั้มใจของตนเองเนี่ยเอาทุกข์คืนมาสู่ใจทั้งๆ ท, ที่ว่าใจมันไม่ได้เป็นผู้สุขผู้ทุกข์อะไรแหละแต่ความหลงนั่นแหละมันเอามาโปะมาทิ้งให้หาโทษใส่ใจนี่อีอหละ่ะใจเป็นทุกข์อีกแหละรวมแล้วก็อันเก่าน่หละสังขาร ที่มันหลงสังขารหลง้างขารหลงทุกอยู่ในสังขารเนี่ยแต่ไม่มีทางใดที่จะแก้ที่จะทำให้มันเข้าสู่ความจริงได้นอกจากการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยจตุลาระคะกรรมฐาน ภ า, าาาาภาวนาในอาการสี่อย่างหรือภาวนาในอนนาปานสติกรรมฐานภาวนาในตาจะปปัญจกะกรมกรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดหรือภาวนาเพ่งดูผมคนเล็ฟันหนังเนี่ยตาจะปัญจกะกรรมฐาน เอาของที่ว่ามันสวยๆงามๆที่ว่ามันดิบมันดีนี่แหละมาแพ่งดูมาพลิกแพงดูผมนี่แหละว่ามันสวยมันงามที่ว่ามันดีมันมีค่ามีราคาแพงขนาดไหนเขไปจ่ายไปซื้อขนตาเส้นหนึ่งเป็นพันเป็นหมืน่นไปซื้อมาให้เขาต่อ ผลคิ้วมให้เขาต่อเส้นผมมาต่อผมของตัวเองมันสั้นมันไม่งามไปซื้อผมเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็หลายบาทโอ้ยนี่แต่เรื่องเข้าใจผิดจะหาความสุขให้แกตัวเองแต่กลายเป็นหนาทุกข์เข้ามา จึงต้องมาภาวนาดูดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังอันที่มันยุ่งยากอยู่เสียเงินเสียทองเพราะแต่งหนังแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันนี่แหละพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เห็นอยู่นี่แหละให้มาเพ่งรู้ว่ามันเป็นยังไงความจริงพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่ามันเป็นของ ทุกมันเป็นของปฏิกูลของไม่สวยไม่งามเป็นของเน่าของเหม็นก็ยังไม่เชื่อก็หาวิธีจะให้มันหอมหวนส่วนชื่นหาวิธีจะให้มันสวยมันงามก็ไม่มีเวลาสวยงามสุดท้ายก็ลงนั่นแหะสู่ธรรมชาติของเขาไฟเผาไป ดินกบไปเท่านั้นแหละนี่มพภาวนาดูตาจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานนี่หนังเป็นที่สุดผมคนเล็บฟันหนังผมคนเลฟันหนังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไปผมคนเล็บฟันหนั ง, น ง, นนนงโชโคปฏิกูลผมก็เม้นค้นก็เม้นคนก็ล่วงล้นไปฟันก็หลุดก็ถอนฟันก็ เม็นฟันก็สุกะโปกเอามันจะนี่แหละนังก็สุขกะโปกเปลืองน้ำเพลืงสบู่อาถูเพราะมันเหม็นนีภาวนาภาวนาดูความสุขกะโปกที่มันมีอยู่เพื่อให้เพื่อทําลายความหลงอเพื่อทําลายกิเลสโมหะที่มันหลงว่ามันหอมมันสวยมันงาม ว่ามันเห็นชอบเห็นด้วยตามเป็นจริงเหรอเออที่นี่มีความสุขสุขทั้งทง ท, งที่มันมีทุกข์อยู่ด้วยธรรมชาติของเขานั่นแหละ อ, อสุขเพราะมันเหม็นนั่นแหละสุขเพราะมันตายนั่นแหละออที่เนี่ยเพราะรู้ความเป็นจริงอนาปานาสติกรรมฐานอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกตามแบบพระเจ้าสอน เพ่งเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกเอามันอยู่างนี้แหลจนสุดท้ายมันประสมรวมเป็นสติสมาธิสัมปชัญญะเป็นวิปัสนาทั้งรู้ทั้งเห็นตามเป็นจริลงลมก็สักแต่ว่าลมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแหละเท่านั้นแหละนั่นท่านเรียกว่าทางมรรคทางผลทางสวรรค์ทางนิพพา น, นต้องไปตามทางอย่างนี้ เพราะฉัน <c oughs> ไม่ต้องไปสงสัยลังเลว่ลาจะไปปฏิบัติอย่างไงปฏิบัติตามทำข้อไหนอย่างไงปฏิบัติตามข้อสติสมาธิปัญญานี่แหละฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มากนี่น้อมเข้ามาวิปัสนาคำาฐาน ให้ควรพินิษพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่แรกมันก็ยังไม่แจมแจ้งไม่แจมแจ้งบังคับมันเอาสตินั่นแหละ บ, บับงคับบังคับใจบังคับสัญญามาจดมาจำในความแปรปวนของรูปร่างกายนี่แหละ เอ็งมาจดมาจำอยู่กับคำบริกรรมเพ่งอยู่นี่แหละนี่เรียกว่างานประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้เสียเวล่ำเวลาไม่ได้เสียข่าหายใจเข้าหายใจออกอะไรดรอกไม่เหมือนทำงานอย่างอื่นทำงานประเภทอื่นทำงานภายนอกต้องไปจ้างเขาไปทำงาน นี่อย่างพวกจะไปทํางานไตหวันบ้างไปทํางานเกาหลีบ้างที่ไหนที่ไหนบ้างล่ะต้องเสียเงินเสียทองเป็นแสนสองแสนงานของโลกงานของภายนอกมันก็ะกอด้วยทุกงานภายในเนี่ยไม่ได้เสียค่าอะไรทํานัอนอ่นเนี่ยไม่ได้เสียการเสียเวลาทําได้ตลอด ยืนเดินนั่งนอนกินดืน่มทำพูดคิดเป็นอาการลิโกเนี่ยเสียแต่เสียสละความขี้เกียดขี้ค้านเท่านั้นละสละมันออกไปเอาความมันความขยันตั้งเข้ามามันก็จะรู้จะเห็นจะเป็นไปในทางธรรมะอันชอบตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ละบาป รือละความขี้เกียจขี้ค้านความมักง่ายขยันเพียนเพ่งนินิดพิจรารณาอ่ไรแบบทำบุญทำบุญคือทำเหตุที่จะให้เกิดความสุขเมื่อเพียนเพ่งเข้าไปรู้เห็นด้วยสติปัญญารู้ละรู้วางได้สุขสบายท่านเป็นสวรรค์เป็นจนถึงนิพพานนั่นแหละ ม, มันวางได้หมด ด้วยการนั่งนิ่งนิ่งกำหนดรู้ใจรู้ใจนี่แหละในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ไปจากที่ไหนหละ <c oughs> เอาวันนี้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำไปฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนเองด้วยความเพียร น, นั้นชอบด้วยศรัทธาเชื่อใน คุณพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้คองสายพองแผ้วให้มีสติปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงกับพ้นทุกข์ในวตาสงสารเข้าสู่พานิพานตามเสด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละ นี่ได้นำธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตใจมาพูดมาแสดงมาแนะนำให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอย่าทิ้งให้แล้วอย่าไปทิ้งฟังไว้ในจิตในใจฟังไว้ในสติปัญญานำไปใช้ <c oughs> ใช่ได้ ยินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกลางวันกลางคืนอใช่ได้ตลอดอนี่แหละเป็นซัพอันประเสริฐซับคือสติซัพ์สมาธิซัพ์ปัญญาซัพบความรู้เห็นตามเป็นจริงโดยธรรมนี่แหละเป็นซับอันประเสรืฐ ได้ยินได้ฟังเลยจงโอปนัญจโกโน้อมเข้าสู่จิตสู่ใจน้อมจิตใจสร้างสติปัญญาศรัทธาให้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติต่อแต่นั่นไปก็จะประสบพบความสุขความสว่างในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสยัย แย้มหน้าแทงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์จงอำม้มวยไวชัยให้ผู้พระพุทธปฏิบัติทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญโดยธรรมทุกกายสบายใจปราจุนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเพื่อทำจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถอ